คำสอนเรื่องเลิกยามพระพุทธเจ้าทรงกล้าประกาศอย่างตรงไปตรงมาถึงหลักคำสอนเรื่องเลิกยามเช่นในชาดกสุตตันตปิฎกเล่ม27ตรัสไว้ว่าคนเข่ามักถือเลิกยามอยู่ประโยชน์ย่อมล่วงเลยไปประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์ดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้ ในพระสูตรตันตปิฎกเล่มยี่สิบตรัสไว้ว่าสัตว์ประพฤติสุจริตกายวาจาใจในเวลาเช้าเช้าวันนั้นย่อมเป็นเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นประพฤติสุจริตกายวาจาใจในเวลาเที่ยงเที่ยงวันนั้นย่อมเป็นเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นประพฤติสุจริตกายวาจาใจในเวลาเย็นเย็นวันนั้นย่อมเป็นเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นคําว่าสัตว์ในภาษาบาลี หมายถึงมนุษย์ด้วยแต่โดยเฉพาะในที่นี้หมายถึงมนุษย์โดยตรงพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้ากล่าวตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ต้องหาเลิกถือความสุจริตความสะดวกเป็นเกณฑ์ก็แล้วกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับคนอื่นที่เขายังอยากจะหาเลิกของเขาปัญหาขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมีใจเข้มแข็งแค่ไหน ถ้าใจเข้มแข็งแล้วก็เลิกถือจุกจิกหรือเลิกยามได้คนบางคนเมื่ออายุยังน้อยอ่านหนังสือปฏิทินพกประจำปีซึ่งมีผู้แต่งโครงเรื่องตัดเล็บตัดผมไว้ห้ามตัดวันนั้นให้ตัดวันนี้ท่องจำได้ขึ้นปากมาภายหลังได้ลองตัดในวันที่ห้ามห้ามดูเพื่อฝึกใจให้กล้าสลัดความเชื่อถือโชคลาง เมื่อฝืนฝืนไปก็เกิดความสบายใจที่จะตัดเล็บตัดผมได้ในโอกาสที่ว่างไม่ต้องเลือกว่าเป็นวันไหนทำให้วันเวลาใดนหนึ่งสัปดาห์ไม่กลายเป็นอัมพาตไปบางวันสำหรับเว้นการทํานั่นทนํานี่หมายเหตุผู้อ่านแต่ก็มีหลายคนที่ลองทําตามคำห้ามนั้นแล้วกลับเจอเรื่องไม่ดีเพราะผลกรรมของเขาเองได้เวลาให้ผลพอดี ก็เลยยิ่งเชื่อกันใหญ่ว่าคำห้ามนั้นเป็นคำห้ามที่ถูกต้องและทางชีวิตก็เลยไม่สามารถตัดขาดจากการถือเลิกถือยามนั้นได้เลยในการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ผู้เคร่งทางถือเลิก อ, อาจไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าเห็นมีทางประนีประนอมกันได้กล่าวคือพระพุทธศาสนานั้นมีข้อปฏิบัติหลายชั้น ถ้าปฏิบัติได้แค่ไหนก็ถือว่าเป็นการกระทตาตามความเหมาะสมแก่จริตอัทยาศัยคือยังอยากถือเลิกยามอยู่และในขณะเดียวกันก็จะทำคุณงามความดีหรือทำบุญกุศลดังนี้ก็หาได้ทำให้ท่านกลายเป็นคนผิดคนเสียอะไรไม่ยังเว้นไม่ได้ก็เชิญถือต่อไปถ้าใจแข็งพอที่จะเว้นได้เองในภายหลังเราไม่ใช่เรื่องนี้เท่านั้นยังมีเรื่องอื่นอีกถมไป ที่พระพุทธศาสนาว่าไม่ดีแล้วเราก็ยังละไม่ได้เช่นความโลภความโกรธความหลงความถือเราถือเขาเป็นต้นข้อสำคัญเมื่อละไม่ได้อย่าไปเหมาเอาว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มีโลภโกรธหลงก็ใช้ได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าจะเกณฑ์ให้คนทุกคนมีจิตใจเหมือนกันหมดมีความประพฤติ ท, ทางกายวาจาอย่างเดียวกันหมดนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ความจริงการตั้งพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เพื่อคนที่วิเศษแล้วเพราะถ้าคนทั้งหลายประเสริฐวิเศษไปหมดแล้วดูก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องตั้งศาสนาแต่เพราะเหตุที่ยังมีคนหลายชนิดหลายประเภทซึ่งเป็นคนยังมีกิเลส ธ, ธรรมดาสามัญไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนนี่เองจึงได้มีพระพุทธศาสนาขึ้น และก็เป็นธรรมดาของการสอนที่ต้องขึงเชือกหรือตั้งขีดขั้นไว้ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงเริ่มต้นทีเดียวเราจะเอาอย่างสูงมาเป็นแนวตัดสินก็อาจจะยังไม่ได้ผลดีเพราะฉะนั้นในปัญหาเรื่องเลิกยามนี้ถ้าท่านจะถือก็ไม่ทาให้เสียหายหรือตกนรกหรือชื่อว่าทาบาปทุจริตอันใดแต่ถ้าท่านใจกล้าท่านจะลองหัดไม่ถือดูบ้าง ก็จะสบายใจดีไม่น้อยหมายเหตุผู้อ่านแต่สำหรับคนที่ยังถือเลิกยามอยู่นั้นเรื่องนี้เป็นสัญญาณข้อหนึ่งจัดอยู่ในศิลประตาปรามาตรซึ่งทำให้บรรลุธรรมไม่ได้ซึ่งการจะตัดเรื่องนี้ได้ขาดนั้นก็ต้องเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทและเรื่องกฎแห่งกรรมอันจะทำให้มีความมั่นใจและเลิกยึดถือเรื่องเหล่านี้ไปเองโดยอัตโนมัติ ให้สังเกตนะครับว่าการยังถือเรื่องพวกนี้นั้นไม่ใช่การทําความผิดบาปแต่เป็นสิ่งที่ขวางการบรรลุธรรมและนําความทุกข์มาให้เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษาและทําความเข้าใจให้ถูกต้องสําหรับผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์และต้องการพ้นจากสังสารวัฏไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหรือเพื่อความประกันได้ว่าชาติต่อไปจะปิดอบายได้ ในการนี้อาจมีบางท่านอย่างติดใจที่จะสนับสนุนเรื่องเลิกยามอยู่โดยให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าดวงดาวในท้องฟ้าย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์และโลกเราอยู่ไม่น้อยเช่นดวงจันทร์เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลงและเกี่ยวโยงกับการมีฤดูของสตรีธาตุต่างๆในดวงดาวย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับธาตุต่างๆในโลกเราและในร่างกายมนุษย์จุดดับในดวงอาทิตย์ ที่เรียกว่าซันสปอตย่อมทำให้เกิดพายุแม่เหล็กในโลกเราเป็นอุปสรรคแก่การสร่งวิทยุกระจายเสียงเป็นต้นฉะ น, นั้นอิทธิพลของดวงดาวจึงน่าจะมีอยู่โดยแท้เมื่อเป็นเช่นนี้การถือเลิกยามจะว่ารายเหตุผลเสียทีเดียวก็ไม่เชิงน่าจะมีอะไรที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันเรื่องนี้ถ้าจะตอบตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ตอบได้ว่าจุดที่เพ่งแหล่งนั้นต่างกันพระพุทธศาสนาต้องการให้ทำคุณงามความดีโดยไม่ต้องให้ชื่อว่าดีเพราะอาศัยเหตุภายนอกคือเลอกยามหากได้ทำดีที่กายวาจาใจของตนหรือสร้างให้คุณงามความดีขึ้นเป็นพื้นฐานเพื่อให้สิ่งอื่นๆถูกจูงให้ดีไปตามยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงประกอบคุณงามความดีอย่างเต็มที่ แม้ที่ประสูตรตรัสรู้นิพพานของพระองค์ก็กลายเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์วันประสูตรตรัสรู้นิพพานคือวันวิสาขาบูชาก็กลายเป็นวันสําคัญของโลกก่อนดินท่อนไม้โลหะหรือของอื่นๆที่นำมาปั้นแก่สลักหล่อห ล, อ, ลอมเป็นพระพุทธรูปก็กลายเป็นของคนแก่การกราบไหว้บูชาถามว่าอะไรจูงอะไรตอบว่าคุณงามความดี จุงให้ทุกๆอย่างดีไปหมดถ้าเอาคุณงามความดีออกเสอย่างเดียวอย่างอื่นๆก็พลอยหมดความหมายไปด้วยคราวนี้ถ้าเราจะลองเอาเลิกวิสาขะที่พระองค์ประสูติมาจุงอย่างอื่นๆบ้างจะได้หรือไม่ปรากฏในตำ น, นานว่าคนที่เกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นมีหลายคนเราก็คงเห็นแล้วว่าเลิกวิสาขะจูงไม่สาเร็จ ที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทุกคนหรือเพื่อความยุติธรรมเราอาจกล่าวตามเหตุผลทางโหราศาสตร์ได้ว่าคนเกิดเลิกเดียวกันวันเดียวแต่ต่างเวลาการเพียงเล็กน้อยก็ต่างกันได้แต่เมื่อย้อนถามกันอย่างตรงไปตรงมาว่าแน่หรือที่ว่าเลิกสร้างความดีให้คนสร้างความสาเร็จต่างๆให้ก็คงจะยอมรับกันว่ายังไม่แน่เหมือนหลักพระพุทธศาสนา ที่ว่าความดีความชั่วหรือกรรมที่ทานั้นยอมปรุงแต่งคนให้ดีแล้วต่างกันด้วยเหตุนี้เองเราจึงพิจารณาเรื่องโปรลิกิดของพราหมณ์เทียบกรรมลิขิตของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้นคือพราหมณ์ถือว่าใครจะดีจะชั่วพระพรหมผู้สร้างโลกได้ลิขิตไว้เสร็จแล้วที่นภาคไม่มีใครแก้ได้นอกจากพระพรหมเอง ส่วนพระพุทธศาสนาถือว่าความดีความชั่วที่เราทำซึ่งเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่หละที่ลิขิตชีวิตของเราแต่เพราะเราทำไว้หลายอย่างต่างๆกันบางทีก็ดีบางทีก็ชั่วผลที่ได้รับจึงไม่เหมือนกันและบางครั้งก็สลับซับซ้อนจนเหลือที่จะสาวหาเบื้องต้นที่สุดได้เมื่อพิจารณากันถึงรากฐานชั้นในคือกรรมดีกรรมชั่วของคนแล้ว ผู้เรียนโหราศาสตร์บางคนก็อธิบายว่าดวงดาวหรือท้องฟ้าเป็นคล้ายแผนที่ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนเราต่างๆกันคนที่ทำกรรมดีก็เกิดมาโดยมีแผนที่ท้องฟ้าบอกไว้ว่าจะได้ดีคนที่ทำกรรมชั่วแผนที่ก็บอกไว้ว่าจะได้รับผลชั่วเป็นการอธิบายโหราศาสตร์ให้มาสมคล้อยกับหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอีกต่อหนึ่ง คือยอมรับว่าความดีความชั่วจุงสิ่งอื่นๆรวมทั้งกาหนดให้คนหรือสัตว์เกิดในขณะที่ดวงดาวอยู่ในลักษณะดีหรือชั่วไม่ใช่ดวงดาวบังคับคนให้ดีชั่วหรือในตัวอย่างอื่นอีกกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองจุงให้คนไปเกิดในที่ที่มีความสุขความเจริญให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเรื่องของดวงดาวเป็นเพียงแผนที่อ่านกรรมดีกรรมชั่วของคนเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้เขียนขอย้าในที่นี้ว่าทางพระพุทธศาสนาต้องการปลูกฝังดีในคือดีที่ตัวคนไม่ใช่ให้ไปติดที่ดีนอกเช่นที่ดวงดาวเพราะดีในเป็นดียั่งยืนและตรงไปตรงมาส่วนดีนอกยังเป็นที่น่าสงสัยเช่นในกอสอบไล่ได้เพราะขนะสอบเรือกดีกับในขอ สอบไล่ได้เพราะมีความรู้ความสามารถเราก็คงเห็นแล้วว่ารากฐานของคนสองคนนี้ไกลกันมากคนที่สอบได้เพราะเลิกดีคือในที่นี้สมมติว่าเลิกดีมีจริงนั้นเราจะหวังเอาความรู้ความสามารถที่เป็นสาระอะไรไม่ได้เลยแต่คนที่สอบได้เพราะมีความรู้ความสามารถย่อมเป็นผู้มีรากฐานมั่นคงกว่า และเป็นที่พึงประสงค์ยิ่งกว่าโดยแท้